วันนี้ก็เป็นวันพระวันพระก็เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ชาวพุทธเรามาทำตัวให้เป็นพระกันตอนนี้พวกเรายังเป็นปุถุชนธรรมดายังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ให้เรามาทำตัวให้เป็นพระอริยบุคคลกัน พะอรียบุคคลก็มีอยู่4ระดับด้วยกันระดับที่หนึ่งก็คือพระโสดาบันระดับที่สองก็พระสกิดาคามีระดับที่สก็คือพระอนาคามีระดับที่สก็คือพอาาระ อ, าอารหันต์นี่คือพระในพระพุทธศาสนาการจะเป็นพระ ก็ต้องมาทำตัวให้เป็นพระกันตอนนี้เราเป็นปุถุชนคำว่าปุถุชนก็คือผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสู่กระแสของพระนิพพานผู้ที่ยังอยู่ในกระแสของวัฏฏะสงสารคือวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดยังต้องไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ในตายภพ วตาสงสารนี่มีไตแบ่งเป็นสามภพสระดับระดับสูงสุดเรียกว่ารูปอรูปภพคือที่อยู่ของอรูปภพลงลงมาก็รูปภพที่อยู่ของรูปภพแล้วต่ำลงมาก็คือกามภพ การมาพบก็คือที่อยู่ของเทวดาและมนุษย์และเลรชานเบรดสุลกายสัตว์นรกต่างๆนี่อยู่ในกามาพบกามาพบก็แบ่งเป็นสองส่วนสุขคติกับทุกคติสุขคติก็คือพบที่มีความสุขคือพบของมนุษย์และพบของเทวดา มีความสุขมากกว่ามีความทุกข์แล้วทุกขติหรืออบายก็เป็นภพที่มีความทุกข์มากกว่าความสุขก็คือทุกขของภพของเดชะชานของเปรตของอสรรกายของสัตว์นรกนี่คือภพต่างๆที่ปุถุชนอย่างพวกเรายัางต้องไปเกิดกัน ขึ้นอยู่กับกรรมที่เราทำกันในปัจจุบันนี้คำว่ากรรมแปลว่าการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจไม่ได้หมายคำว่าบาปบางทีเราใช้คำว่ากรรมแทนคำว่าบาปแต่ในที่นี้เราหมายถึงเป็นคำกลางๆไม่บุญไม่บาปแปลว่าการกระทำ การกระทำคือความคิดเรียกว่าการกระทำทางใจการพูดการกระทำทางวาจาและการกระทำด้วยร่างกายาการกระทำนี้เราทำกันอยู่ตลอดเวลาแล้วทำในสามรูปแบบทำบุญทำบาปและทำที่ไม่ใช่เป็นบุญและที่ไม่ใช่เป็นบาป แล้วเมื่อทำกรรมเหล่านี้แล้วก็มีวิบาก ค, คือผลของการกระทำของกรรมตามมาวิบากก็มีสามตามกรรมที่มีสามถ้าทำบุญวิบากก็ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรมเป็นรูปประภมอรูปประภมถ้าบา ถ้าทำบาปก็ได้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นนสุลกายไปเป็นสัตว์นรกถ้าไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำบาปก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อันนี้คือวิบากที่จะเกิดกับพวกเราชาตินี้เรามีวิบากของมนุษย์ อดีตชาติเราอาจจะเคยทำบุญทำบาปกันไว้แล้วพอเราไปใช้บุญใช้บาปจนบุญกับบาปมีกำลังเท่ากันไม่สามารถส่งให้เราไปสวรรค์หรือสุคติไม่สามารถส่งให้เราไปทุกขติได้เราก็กลับมาเป็นมนุษย์กัน พอเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็มาทำบุญทำบาปกันใหม่หรือไม่ทำบุญไม่ทำบาปก็มีอยู่3เมื่อกี้บอกว่าสุขติมีสวรรค์ของเทพของของพรหมแล้วบอกของมนุษย์ความจริงมนุษย์นี้จะเรียกว่าสุขติก็ไม่ใช่ทุกติก็ไม่เชิงเพราะอยู่ตรงกลางระหว่างสุขติกับทุกติ ผู้ที่มาเป็นมนุษย์นี่เป็นผู้ที่ไม่ได้ทำบุญหรือไม่ได้ทำบาปหรือบุญกับบาปทำแล้วมันมีกำลังเท่ากันถ้าทำการค้าก็คือไม่กำไรไม่ขาดทุนเวลาสิ้นปีเราทำบัญชีดูดูรายได้ของเรากับรายจ่ายของเราถ้ารายได้กับรายจ่ายเท่ากัน ก็ไม่กำาุนไม่กำไรไม่ขาดทุนถ้ากำไรก็ได้ไปเที่ยวถ้าขาดทุนก็ต้องไปติดคุกไปใช้นี่บุญกับบาปก็เหมือนกับกำไรหรือขาดทุนถ้าบุญมากกว่าบาปก็ถือว่ากำไรได้ไปเที่ยวสวรรค์กันถ้าบาปมีกําลังมากกว่าบุญก็ขาดทุน ก็ต้องไปใชน้นี่ไปติดคุกในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุลกายเป็นสัตว์นรกจนกว่าบาปที่ทำไว้มีกำลังเท่ากับบุญบาปก็ไม่สามารถดึงให้อยู่ในอบายได้ต่อไปบุญก็ไม่สามารถดึงให้ไปสวรรค์ได้ก็มีกำลังเท่ากับบาปเวลานั้นก็มาเป็นมนุษย์ อย่างที่พวกเรามาเป็นกันอยู่ในขณะนี้นี่คือเรื่องของปุถุชนผู้ที่ทำบุญบ้างทำบาปบ้างสลับกันไปแล้วพอตายไปก็ไปรับผลบุญผลบาปกันก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ได้พบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงหรือได้พบกับตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคำสอนหรือพระอริยสงสาวกุกผู้ที่เห็นทางอีกทางหนึ่งทางที่จะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดทางที่จะไปสู่พระนิพพานสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิด ทางนี้ที่เราเรียกว่ากระแสสู่พระนิพพานผู้ที่ได้เข้าสู่กระแสคือพระอาริยรบุคคลขั้นที่หนึ่งคือพระโสดาบันท่านได้เริ่มเข้าสู่กระแสรหรือทางที่จะพาไปสู่พระนิพพานท่านจะไม่มีวันที่จะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเหมือนเมื่อก่อนแต่ยังไปไม่ถึงนิพพานยังต้องมีพบชาติอีกไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมาก ถ้าท่านเดินทางต่อไปท่านก็จะขึ้นสู่ขั้นที่สองขั้นพระสกีดาคามีขั้นนั้นก็จะทำให้พบชาติของท่านเหลือเพียงพบเดียวในกามาพบคือพบของมนุษย์แล้วถ้าท่านก้าวต่อไปถึงขั้นที่สามขั้นพระอนาคามีท่านก็จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปไม่เกิดมาไม่กลับมาเกิดในภพ ที่ใช้ที่เสพกรรมเพราะพระนาคามีนี้ได้ทำลายกามตัณหากามราคะหมดไปจากใจท่านก็จะเหลือไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ตามลำดับต่อไปถ้าเป็นพระอรหันต์ก็ได้ถึงพระนิพพาน ก็ได้กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนี่คือการมาทำตัวพวกเราให้เป็นพระกันพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสงสารวกทั้งหลายก็ดีก่อนที่จะเป็นพระกันท่านก็เป็นปุถุชนเหมือนพวกเราตอนที่พระพุทธเจ้าเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะตอนนั้นท่านก็เป็นปุถุชน พระสงฆ์สาวกทั้งหลายที่มาเกิดเป็นมนุษย์กันนี้ก็เกิดมาด้วยการเป็นปุถุชนกันแล้วก็แสวงหาทางสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกันถ้าหาได้เองห า, หาทางหลุดพ้นได้ตัวเองก็เป็นคนที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าเอาะ ท่านมีความฉลาดมีความสามารถที่จะค้นหาทางออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นานๆจะมีคนอย่างพระพุทธเจ้าสักครั้งหนึ่งส่วนใหญ่แล้ว9 9้าเกซของสัตว์โลกนี้ไม่มีความสามารถที่จะค้นหาทางได้ด้วยตนเองเลยต้องรอ ให้มีคนอย่างพระพุทธเจ้ามาปรากฏก่อนมาคบมาพบทางสู่การหลุดพ้นก่อนเมื่อพบแล้วก็รอให้ท่านสอนพอท่านสอนเราก็เอาคําสอนไปปฏิบัติพอเราปฏิบัติตามคําสอนเราก็จะได้เป็นพระอริยกันเป็นพระโสดามันเป็นพระ ส, ระสกิดาคามี เป็นพระอน า, าคามีเป็นพระอรหันต์ตามลำดับนะพระพุทธเจ้าอยากให้พวกเราเป็นพระอรหันต์กันไออยากจะให้เป็นพระอริยะกันก็เลยกําหนดวันพระขึ้นมาวันพระเป็นวันที่ให้พวกเรามาทําตัวของเราให้เป็นเป็นพระอริยะกันเหมือนพวกเราที่อยู่ในโลกตอนนี้ เราอยากจะเป็นอะไรเราก็ต้องไปทําตัวของเราให้เป็นอย่างนั้นอยากจะเป็นทาหารก็ไปเรียนในร้อยจาะปลออยากจะเป็นตำรวจก็ไปเรียนในร้อยสามพรานอยากจะไปเป็นหมอก็ไปเรียนซิริลาดไปเรียนมหิดลอยากจะเป็นพยาบาลก็เหมือนกันอยากจะเป็นวิศวะก็ไปเรียนจุลาธรรมศาสตร์ นี่คือสถาบันที่จะเปลี่ยนตัวพวกเราจากคนที่ไม่ได้เป็นอะไรให้มาเป็นอะไรกันฉะนั้นในพระพุทธศาสนาก็เป็นสถามันการศึกษาที่จะเปลี่ยนปุถุชนให้เป็นพระอริยบุคคลกันแต่จะเปลี่ยนได้ก็ต้องไปศึกษากันไปโรงเรียนกันไปมหาลัยกัน ถ้าอยากจะเป็นหมอแต่ไม่ไปเรียนแพทย์ไม่ไปเรียนหมอก็จะเป็นหมอผีแทนหมอตีหมอตีหรือหมอผีซึ่งเป็นหมอที่เขาไม่รับรองคุณภาพรักษาแล้วอาจจะตายก็ได้แต่ถ้าเป็นหมอที่จบจากสถาบันการศึกษาชั้นสูงเช่น มาฮิดอนหรือซิเรราสพยาบาลเขาก็มีใบรับประกันว่าหมอนี่รักษาคนหายไม่มีตายถ้าตายเป็นก็เรื่องเป็นโรคเป็นโรคที่รักษาไม่หายรักษาไม่ได้แต่จะไม่ได้ตายพ่อหมอรับรองได้พ่อหมอเรียนรู้มาวิธีที่จะรักษาโรคภัยต่างๆเรียนรู้ยาชนิดต่างๆ ที่จะมาใช้กับการรักษาโาครคภัยไข้เจ็บของคนไข้พระอาริยะก็เหมือนกันพระอาริยะจะเป็นพระอาริยะก็ต้องไปวัดกันเนี่ยวันนี้วันพระสมัยก่อนวันพระเขาหยุดทำงานกันเพราะสมัยก่อนเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับต่างประเทศเราอยู่ของเรา เราไม่ได้ติดต่อทำมาค้าขายกับต่างชาติเราก็เลยสามารถหยุดทำงานวันพระได้ออยวันพระญาติโยมก็หยุดทำงานกันแล้วก็ไปวัดกันแต่สมัยนี้เราไปเกี่ยวข้องกับต่างประเทศเราไปทำการค้าขายติดต่อ ซข้าวซื้อของขายข้าวขายของกันแล้วต่างประเทศเขามีวันหยุดเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็เลยต้องเปลี่ยนวันหยุดจากวันโกนวันพระมาเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เลยทําให้พวกเราชาวพุทธไม่ค่อยได้มีโอกาสมาวัดกันเพราะวันพระมักจะไม่ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดทํางาน เราก็เลยไม่ได้เราก็เลยเสียโอกาสไม่ได้มาทําตัวของเราให้เป็นพระกันเราก็เลยกลายเป็นผีกันทั้งส่วนใหญ่สมัยนี้แทนที่จะเข้าวัดก็เข้าบ่อนเข้าบากันเข้าศูนย์การค้ากันอันนี้เป็นการไปทําตัวให้เป็นผีกันไม่ได้ทําตัวให้เป็นพระกันเพราะ ไปแล้วมันจะทำให้เกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงกันทำให้ไม่สามารถที่จะทำตัวให้เป็นพระได้เช่นเป็นพระอย่างน้อยก็ต้องมีศีลห้าเป็นจุดเริ่มต้นต้องเป็นผู้มีใจบุญสุนทานเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันแต่ถ้าไปสู์การค้าไปหมอนไปผับ ไปบาไปเที่ยวกันนี้จะไม่ชอบทําบุญกันจะไม่ชอบแบ่งปันกันจะไม่ชอบรักษาศีลกันก็เลยไม่ได้เป็นพระกันเลยมาเป็นผีกันมาเป็นเปรตกันมาเป็นเดรัจฉานกันอันนี้ เป็นเพราะว่าบ้านเมืองเราหลงทางทางเก่าของเราดีอยู่แล้วแต่เรากลับไม่ยึดกันไว้ทางที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราแบมเพ น, นเนี่ยเป็นทางที่วิเศษที่สุดเป็นทางที่จะทําให้เราเป็นผู้ประเสริฐให้เป็นพระขึ้นมาแต่เราไปเอาทางของพวกเปรตพวกผีกันพวกต่างชาตินี่เป็นพวกเปรตพวกผีกัน พวกกินเหล้าเมายาพวกเล่นการพนันพวกเที่ยวบ่อนเที่ยวซ่องกันพวกที่ประพฤติผิดประเวณีกันต่างชาติเขาถือว่าเป็นการกระทาที่น่าเปิดเผยน่ายกย่องกันคนหนึ่งต้องมีผัวมีเมียสักษี่ห้าคนถึงจะถือว่าเก่ง ถ้ามีผัวเดียวเมียเดียวนี้ถือว่าโง่ถือว่าไม่เก่งบางคนมีถึงเจ็ดแปดคนเก้าคนสิบคนแล้วคนไหนกินเหล้าไม่เป็นก็ถือว่าไม่เก่งต้องกินเหล้าต้องสูบบุหรี่ต้องเล่นการพนันเป็นถึงจะเรียกว่าเป็นคนเก่ง ของเราทางเก่าของเรานี้ห้ามไม่ให้ไปบ่นไม่ให้เปิดบ่นเพราะเป็นหลันทําลายจิตใจไม่ให้มีบาขายสุรายามเมาไม่ให้มีที่เที่ยวกันยามราตรีเมื่อข้ามก็ให้พักผ่อนหลับนอนเหมือนนกเหมือนกาจะได้มีกําลังวังชาตื่นเช้าจะได้ไปทํางาน สุขภาพจะได้แข็งแรงมีกำลังวังชาที่จะทำงานได้อย่างเต็มที่สัตว์เดรัจฉานถึงแม้ว่าเขาจะเร็วกับมนุษย์แต่มันก็ยังไม่ไปเที่ยวกันตอนคืนถึงเวลามันยังหลับนอนกัน่มนุษย์เหล่านี้ที่ประเสริฐกว่าเดรัจฉานกลับโง่กว่าเดรัจฉานาที่จะหลับนอนกันพักผ่อนกัน ก็ไปเที่ยวกันเดึกดเ ด, ด, ดื่นึไปกินเหล้าเมายากันพอเวลาตื่นเช้าก็ไม่มีกำลังที่จะไปทำงานกันนี่คือวันพระของพวกเราจึงไม่ค่อยมีคนมาวัดกันเช่นวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ วันสุกก็ต้องไปทำงานกันแล้วพอวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปเที่ยวกันไปศูนย์การค้ า, าไปบาร์ไปผับก็เลยไม่มีเวลามาทำตัวให้เป็นพระกันเนี่ยสังคมทุวันนี้ยังมีมีผีมากขึ้นไปตามลำดับมีพระน้อยลงไปตามลำดับ มีคนดีน้อยลงมีคนชั่วมากขึ้นเพราะการกระทาที่ทำให้เป็นคนชั่วกันคือไปเสพอบายามุกกันเสพสุราย า, าเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรมีความเกลียดค้านแล้วก็ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปลักทรัพย์ ไปประพฤติผิดประเวณีไปโกหกหลอกลวงกันเนี่ยเปิดดูหนังสือพิมพ์เย่ยแต่ละวันมีแต่เรื่องพวกนี้เท่านั้นเรื่องอบายามุกเรื่องทำบาป ก, กันเป็นข่าวใหญ่กันถ้าเป็นเรื่องทำความดีไม่ค่อยเป็นข่าวกันสังคมของเปรตของผีไม่ชอบข่าวดีไม่ชอบคนดีชอบข่าวของคนชั่ว อมทำให้มันสบายใจว่าเอ้เราก็ไม่ใช่ชั่วคนเดียวเว้ยคนอื่นชั่วกับเราเยอะแยะไปแต่ถ้าได้ข่าวของคนดูแล้วอิดช้าตาร้อนขึ้นมาไม่มีใครอยากจะรับรู้จึงขายไม่ออกหนังสือพิมพ์ถ้าจะขายดีต้องเอาข่าวชั่วของมนุษย์นี้มาขายกันถ้าเอาข่าวดีมาของมนุษย์นี้ไม่ค่อยมีใครอยากจะอ่านกัน พราะมันทำให้เขารู้สึกด้อยรู้สึกไม่เด่นแต่ถ้าไปเอาข่าวของคนชั่วมาทำนี่เมื่อเปรียบเทียบกับตัวคนอ่านแล้วก็โอ้เราดีกว่าเขาเยอะแยะข่าวดีจึงขายไม่ออกกันข่าวดีคนดีคนทำอะไรที่เป็นคนเป็นประโยชน์นี่มักจะไม่ค่อยได้รับการยกย่อง นี่แหละเป็นเพราะว่าไม่มาวัดกันวันพระเดี๋ยวนี้ไม่มาวัดกันไม่เหมือนสมัยโบราณนี่แทบทุกบ้านนี้ไปวัดกันหมดวัดจึงเยอะสมัยก่อนเมืองไทยแล้วนี่มีวัดมากกว่ามีอะไรที่สุดมีวัดมากกว่าโรงเรียนมีวัดมากกว่าบามากกว่าพับมากกว่าศูนย์การค้ามากกว่าโรงภาพยนตร์ แต่สมัยนี้มันมันจะกลายเป็นตรงกันข้ามกันละสมัยนี้ศูนย์การค้าบาบผับซ่อง<ม>อะไรที่ท่องเที่ยวยามราตรีแหล่งบันเทิงต่างๆนี้มีจำนวนมากกว่าวัดแล้วเ<ม>นี่ยเราวัดกันตรงนี้ดูว่าคนเป็นพระหรือเป็นผีก็ดูที่จำนวนของสถานที่เหล่านี้ วัดสถานที่เหล่านี้มันเป็นที่ผลิตพระหรือผลิตผีกันแม้วันนี้มันพระมา ก, กันกี่คนเนี่ยนับจํานวนได้เลยเขาถึงเปรียบเทียบว่าคนดีกับคนชั่วนี่หรือพระกับผีนี่เหมือนเขาวัวกับขนวัวไหมเคยเห็นเขาวัวไหมวัวตัวหนึง ม, มันมีกี่เขา นับได้ง่ายไหมสองเขาเแต่ขนวัว น, นี่มีกี่ขนเนี่ยเต็มไม่หมดเลยเยสมัยนี้เป็นอย่างนี้คนดีเป็นเหมือนเขา ว, ว, วัวคนคนชั่วหรือผีนี่เป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับขนวัวมีเต็มไปหมดทุกแหล่งทุกแห่ ง, ท, หงทุกขนอย่างนี้ไปไหนมาไหนนี่ต้องหวาดระแวง ไม่รู้จะถูกป้อนถูกจี้ถูกหลอกลวงเมื่อไรไม่รู้จะถูกรังแกเมื่อไรไม่รู้จะถูกจับข่มขืนเมื่อไรเผลอไม่ได้อย่างนี้เผลอแล้วโดนเลยเพราะไม่มีวันพระกันไม่ไปวัดในวันพระกันก็ช่วยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยากเรียกร้องให้มากันหรอกถ้าไม่อยากจะมา เองแต่บอกว่าให้เห็นผลที่จะเกิดตามมาระหว่างมาวัดกัระหว่างไปตามแหล่งบันเทิงไปตามบาตตามผับตามซ่องตามบ่อนกันว่ามีมีผลต่างกันมาวัดก็จะได้เป็นพระกันจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกัน ถ้าไปหม่นไปผับไปบาก็ยังต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายและมักจะไปเกิดในอบายกันซอส่วนใหญ่การมาวัดนี้เราก็แบ่งเป็นสองระดับของการปฏิบัติระดับแรกท่านก็สอนให้เป็นนักบุญก่อนนักบุญนี่มีคุณสมบัติอะไร ก็มีการรักษาศีลห้าแล้วก็การทำทานเป็นหลักทำทานเป็นประจำเช่นใส่บาตรทุกวันแล้วก็รักษาศีลห้าทุกวันอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นนักบุญแล้วอีกระดับหนึ่งก็คือระดับนักบวชถ้าระดับนักบวชก็รักษาศีลแปขึ้นไปเป็นเป็นปกติ แล้วก็ภาวนาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเจริญปัญญาฟังเทศฟังธรรมอันนี้เป็นระดับของนักบวชถ้าเป็นนักบุญนี้ยังไม่สามารถก้าวข้าสู่ขั้นของพระอริยได้นักบุญนี้ก็ได้เพียงระดับของสุขคติคือได้เป็นมนุษย์หรือได้เป็นเทวดา ไม่ต้องไปเกิดในอบายถ้าเป็นนักบุญถ้ารักษาศีลห้าได้แล้วทำบุญอย่างต่อเ น, นื่องไม่ขาดทำมากทำน้อยก็ทำไปตามกำลังตายไปก็ได้ไปสวรรค์เป็นเทพกันถ้าไม่ได้ทำบุญแต่แต่รักษาศีลห้าได้แต่ไม่ได้ทำบุญเพราะไม่มีเงินจะทำตายไปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ แต่ไม่ต้องไปเกิดในอบายถ้ารักษาศีลห้าได้ไม่ทำบาปนี่คือที่ไปของผู้ที่เป็นนักบุญตายไปก็ไปสวรรค์เริ่มกลับมาเป็นมนุษย์ถ้าไม่ได้เป็นนักบุญก็เป็นมนุษย์ถ้ารักษาศีลห้าไม่ทาบาปก็มาเป็นมนุษย์กันแต่ไม่ต้องไปเกิดในอบายแต่ถ้าบุญไม่ทำบาปก็ไม่ ละกันทําบาปไม่ทําบุญตายไปก็ไปอบายกันไปเกิดเป็นเดชะชานถ้าทําบาปด้วยความไม่รู้ทําด้วยความหลงคิดว่าไม่เป็นไรเป็นอาชีพที่ต้องทอําเช่นอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไม่ผิดกฎหมายกฎหมายเขาไม่ห้ามแต่ผิดกฎของของศีงลธรรม ทำบาปด้วยความไม่รู้ว่าบาปนี่ไปเป็นเดลชานถ้าทำบาปด้วยความโลภอยากรวยอยากได้มากๆก็ไปเป็นเปรตถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็ไปเป็นผีเป็ น, นสศรู ล, ลกายถ้าทำบาปด้วยความเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทโกรธเกลียดก็ไปนรก นี่คือที่ไปของผู้ที่ไม่ทำบุญไม่รักษาศีลตายไปก็ต้องไปอบายถ้าไม่ได้ทำบุญแต่รักษาศีลได้ก็ไปเป็นมนุษย์ถ้ารักษาศีลได้แล้วทำบุญด้วยก็ไปเป็นเทวดาถ้าอยากจะไปเป็นพรหมนี้ต้องขยับขึ้นเป็นนักบวช ระดับนั่งบวชนี้ก็มีสองระดับระดับปุตุชนกับระดับพระอริยเจ้าระดับปุตุชนก็คือถือศีลแปดได้นั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ตายไปก็ไปเกิดเป็นพรหมแต่ยังเป็นปุตุชนอยู่ยังต้องกลับมาเกิดมาเป็นมนุษย์ใหม่เพราะบุญที่ส่งให้ไปเป็นพรหมนี่จะหมดเหมือนน้ำมันรถยนต์ที่เราเติมแล้วเดี๋ยวมันก็หมด หมดเราก็ต้องกลับมาเติมที่ปั๊มใหม่พบของมนุษย์นี่เป็นเหมือนปั๊มน้ํามันปั๊มเติมบุญปั๊มเติมบาปพอทําบุญแล้วก็ได้บุญส่งไปสวรรค์ชั้นเทพหรือสวรรค์ชั้นพรหมแล้วอยู่ได้สักพักหนึ่งพอบุญหมดก็ล่วงลงมาจากชั้นพรหมก็ลงมาสู่ชั้นเทพจากชั้นเทพก็ลงมาสู่ชั้นมนุษย์ แล้วก็มาทําบุญทําบาปใหม่ถ้าอยากจะเป็นนักบวชระดับอริยะคือจะกลับมาเกิดไม่เกินจิตชาติเป็นจุดเริ่มต้นคือเป็นพระโสดาบันก็ต้องปฏิบัติธรรมอีกขั้นหนึ่งที่เรียกว่าปัญญาต้องเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้พวกเรา มองความจริงให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นของชั่วคราวเป็นของไม่ถาวรได้มาแล้วก็ดีใจเวลาเสียไปก็เสียใจถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องเสียใจจากสิ่งที่เราได้มาเราก็ไม่เอาดีกว่าอยู่แบบไม่มีดีกว่า อยู่แบบขอทานดีกว่าอยู่แบบคนรวยรวยแล้วเดี๋ยวพอล้มละลายก็ทุกข์มากถ้าอยู่แบบคนจนมันก็จะไม่มีวันล้มละลายเพราะมันล้มอยู่แล้วท่านบอกว่าลาบยศสารเสริญเนี่ยลาบคือเงินทองสมบัติเข้าของต่างๆมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริง ไม่ช้าก็เร็ววันใดวันใดวันหนึ่งคืนใดคืนหนึ่งมันก็จากเราไปหรือไม่ฉะนั้นเราก็ต้องจากมันเวลาจากกันมันดีไหมมีแต่ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจท่านสอนให้เรามองให้เห็นว่าราบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไม่ว่าจะเป็นบุคคลไม่ว่าจะเป็นวัตถุข้าวของ เช่นกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้ารถยนต์โทรศัพท์มือถือหรืออะไรก็ตามที่มีอยู่ในโลกนี้มันเป็นของชั่วคราวทนะั้งนั้นเวลามันได้มาก็ดีใจกันมีความสุขกันเวลาเสียไปก็เสียใจกันถ้ามีปัญญาก็จะไม่อยากได้สิ่งเหล่านี้แม้แต่ร่างกายของเราก็ไม่อยากได้ มันจะตายก็ต้องปล่อยมันตายมันจะเจ็บก็ต้องปล่อยมันเจ็บมันจะแก่แก็ต้องปล่อยมันแก่อยากไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าไม่อยากเราจะไม่ทุกข์แล้วจะไม่กลับมามีร่างกายถ้ากลับมาก็ยังก็มีไม่เกินเจ็ดครั้งเป็นอย่างมากพระโสดามันนี่ไม่ไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตาย แต่ยังรักร่างกายของคนอื่นอยู่ยังเห็นร่างกายของคนอื่นว่าสวยว่างามยังอยากได้มาเป็นแฟนยังอยากจะได้มาเป็นคู่ครองอยู่อันนี้ก็ต้องปฏิบัติอสุภะต้องมองให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามมองเข้าไปข้างในภายใต้อีกใต้ผิวหนังหน้าตาเนี่ยสวยใต้ผิวหนังของหน้าตามันมีอะไรกะโหลกศีรษะใช่ไ มีใครไม่มีกระโหลกศีรษะบ้างแต่มองไม่เห็นกันเกิดอะไรข้างใครหลงไหลกับเนื้อที่หุ้มห่อกะโหลกศีรษะนีะ่ไปดูภาพเอ็กซเรย์ที่เขาถ่ายดูสิอ๋อนี่เหรอดาราภาพยนต์ของจริงภาพเป็นอย่างนี้เองเนี่ยให้เห็นภาพที่เรามองไม่เห็นกัน ภาพที่ถูกหนังมันหุ้มหอ่อปกปิดเอาไว้ทำให้เราไม่เห็นโครงกระดูกทำให้เราไม่เห็นกะโหลกศีรษะทำให้เราไม่เห็นอวัยวะต่างต่างอยากจะเห็นอวัยวะก็ไปดูภาพที่เขาถ่ายจะคนที่เขาผ่าชันสูตรซากศพมาเวลาเขาผ่าศพนี่เขาแหวะหน้าอกออกมาเราก็เห็น เขาเรียกอะไรไส้ในของร่างกายมีตับมีไตมีกระเพาะมีลำไส้มีหัวใจมีปอดนีด่คือการใช้ปัญญาเพื่อให้ดับความอยากที่เป็นตัวให้เรากลับมาเกิดกันพ อ, อนเราดับความอยากได้เราก็จะไม่กลับมาเกิดกัน พอเห็นว่าร่างกายนี้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันไม่สวยไม่งามก็ต่อไปก็จะไม่อยากได้มีร่างกายและไม่อยากได้ร่างกายของคนอื่นก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปแต่ก็ยังมีสิ่งที่ยังหนงหลายขัานคล้อยู่ภายในใจคืออารมณ์ต่างๆยังรักยังติดอารมณ์ ที่ผ่องใสที่เบิกบานอยากให้จิตใจผ่องใสเบิกบานไปเรื่อยๆก็ยังถือว่ายังติดอยู่เพราะมันเป็นอารมณ์ของพรหมของรูปประพรมของอรูปประพรมนั่นเองก็ยังต้องเกิดในพรห ม, มโลกจนกว่าจะตัดความหลงหลคข้างคล้ายกับอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในใจได้ถึงจะไปพระนิพพานได้ พอจะไม่มีความอยากหลงเหลืออีกต่อไปพอถึงพระนิพพานก็ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปมีแต่ปรมังสุขขังใจที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความอยากนี้จะเป็นใจที่มีความสุขที่สูงสุดความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง ผู้ที่ได้ความสุขแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องไปหาความสุขจากแหล่งอื่นไม่ต้องไปเป็นมนุษย์ไม่ต้องไปเป็นเทวดาไม่ต้องไปเป็นพรหมไม่ต้องไปเป็นเศรษฐีไม่ต้องไปเป็นพระราชามหากษัตริย์ไม่ต้องไปเป็นประธานาธิบดีไม่ต้องไปเป็นมหาจากกักรพรรดิเพราะมันไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับความสุขอันนี้สุขของพระนิพพาน พระพุทธเจ้านี่ได้ถึงพระนิพพานตอนอายุสาสิบห้าปีท่านก็ไม่เคยกลับไปเป็นพระเจ้าแผ่นดินเองเลยถึงแม้ใครจะมาเชิญก็ไม่ไปใครจะมาให้ไปเป็นมหาจักรพรรดิก็ไม่ไปเพราะมันความสุขคนร ะ, ะดับกันความสุขของพระพุทธเจ้านี่มันเป็นความสุขที่สุขขุมความสุขที่ไม่มีความทุกข์เลย แต่ความสุขของหมาจากักรพรรดนี้ความทุกข์เยอะไปหมดเป็นหมาจากักรพรรดิมันก็ต้องมีความหวาดระแวงมีความวิตกกังวลเผลอไม่ได้เผลอเดี๋ยวโดนเขานอกเผลอเดี๋ยวโดนเขายึดอำนาจเห็นไหมเป็นนายกเมืองไทยเป็นยังไงเผลอได้ไหมเผลอปั๊บก็โดนเขายึดอำนาจใช่ไมเนี้ยสุกไหมเป็นนายกสุกไหม แล้วทำไมอยากเป็นกันละเกินกพมองไม่เห็นว่ามันทุกข์กันไม่ใช้ปัญญาพิจารณากันเห็นแต่สุขอย่างเดียวไม่เห็นทุกขนะ์ก่อนที่มีแฟนก็คิดว่าสุขนะพอมีเข้าไปแล้วมันสุขไงเดี๋ยวก็มาวุ่นวายกับแฟนนะทะเลาะกับแฟนก็ทุกข์แล้วแฟนแอบไปคุยคนนั้นคนนี้ก็ทุกข์แล้ว น, นะมองไม่เห็นทุกข์กันไม่มีปัญญาพอมองไม่เห็นว่าเป็นของชั่วคราวเขารักเราวันนี้เดี๋ยวอีกสองวันเขาก็ไปรักคนอื่นแล้วไม่คิดอย่างนี้บ้างคิดว่าเขาจะรักเราไปตลอดเหมือนในหนังพอนางเอกเจอพระเอกพบกันปั๊บก็จะอยู่กันไปตลอดจบหนังจบที่ไหนได้ไม่ยู่ภาคสองภาคสามที่จะตามมา เดี๋ยวก็ทะเลาะกันเดี๋ยวก็หยากันเดี๋ยวก็แย่งสมบัติกันแย่งลูกแย่งอะไรกันภาคสองภาคสามไม่ดูกันดูแต่ภาคหนึ่งพอเจอกันรักกันก็แต่งงานกันแล้วก็อยู่กันไปตลอดนี่แหละคือความหลงทงั้งๆที่เราก็รู้กันว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนี้แธอแต่ทำไมชอบแล้วกินชอบเชื่อแล้วกินว่าชีวิตของเราจะต้องเป็นอย่างนี้กัน มันถึงต้อมาน้ำตาตกในกันฮะส่วนใ้ความสุขที่ดีจริงๆกับไม่กับไม่ชอบกันกับเห็นว่าเป็นความทุกข์กันความสุขที่ให้มาอยู่วัดกันกับกลายเป็นความทุกข์กันไปไม่ชอบมากันเพราะไม่มีปัญญาไม่ได้มีการปฏิบัติตามคำสอน ถ้าลองได้ปฏิบัติตามคําสอนแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะได้สัมผัสกับความสุขที่พระเจ้าได้สัมผัสแม้อาจจะเป็นเพียงแค่หนังตัวอย่างมันก็จะทําให้เราตื่นเต้นดีอกดีใจจนยินดีที่จะสละทุกอย่างที่เรามีอยู่เพื่อมาสร้างความสุขแบบนี้กันมาสร้างความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญากันต้อง เปลี่ยนจากการเป็นนักบุญมาเป็นนักบวชนะต้องถือศีล8ปจากศีลห้ามาถือศีล8ปแล้วก็ต้องมาอยู่วัดบ่อยๆอยู่วัดเรื่อยๆหรือไม่อยู่วัดก็ต้องอยู่ที่ไม่มีใครมารบกวนการภาวนาการปฏิบัติธรรมเพราะการภาวนานี้จะทำให้ใจเราสงบทำให้ใจเรามีความสุขมาก ยิ่งปฏิบัติได้มากเท่าไหร่ความสุขก็จะมีมากขึ้นมันจะต่อเนื่องกันถ้าเราปฏิบัติชั่วโมงหนึ่งก็ได้ความสุขแค่ชั่วโมงเดียวถ้าเราปฏิบัติสองชั่วโมงก็จะได้ความสุขสองชั่วโมงถ้าเราปฏิบัติทุกชั่วหลายชั่วโมงทั้งวันทั้งคืนเราก็จะได้ความสุขตลอดเวลานี่คือทางไปของผู้ที่อยากจะไปเป็นพระกันทางของผู้ที่ต้องการที่จะพบกับความสุข ที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต้องไปทําไปตามทางที่พระเจ้าทรงสอนให้ไปเริ่มต้นด้วยการมาวัดในวันพระกันเบื้องต้นก็มาฟังก่อนมาศึกษาก่อนว่าทางที่พระเจ้าทรงสอนให้ไปนั้นทําอย่างไรบ้างท่านสอนให้เราทําบุญทําทานสอนให้เรารักษาศีล ตอหน้าเรานั่งสมาธิสองให้เราเจริญปัญญากันพยายามดูให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์กันเพราะมันเป็นของชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญเป็นในร้อยเป็นในพันเดี๋ยวอายุหกสิบเขาก็ขอคืนแล้วพราะเต้องห้าออกไปให้คนอื่นเรามันแก่แล้วหมดหมดความสามารถแล้วที่จะเป็นในพันในพนเขาก็เอาไปให้คนอื่นต่อ อย่าไปหลงไหลยข้างไคร้กับสิ่งเหล่านี้เลยเพราะมันจะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดมีวันสิ้นสุดมีวันจากกันแล้ววันนั้นก็จะกลายเป็นวันทุกข์ขึ้นมานี่คือทางที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาปฏิบัติกันวันพร้านี้เราต้องมารักษาศีลกันถ้ายังไม่เคยรักษาศีลห้าวันนี้ก็ต้องรักษาศีลห้าให้ได้ ถ้ารักษาศีลห้าได้แล้วก็วันนี้ก็เปลี่ยนเป็นศีลแปดกันแล้วก็ถ้ายังไม่เคยนั่งสมาธิก็มาหัดนั่งกันถ้านั่งไม่ได้ก็นั่งสวดมนต์ไปก่อนนั่งสวดมนต์การสวดมนต์นี้จะเป็นการสร้างสติดึงใจให้ไม่ไปคิดเห็นเรื่องราวต่างๆพอเราสวดมนต์ได้เราก็นั่งสมาธิต่อได้สวดมนต์เสร็จใจก็จะ เย็นสบายล้วก็นั่งดูลมหายใจต่อหรือนั่งบริกรรมพุทธโธต่อไปแล้วใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้พอได้ความสงบแล้วก็จะตื่นเต้นมหัศจรรย์ใจจะเห็นว่าโอ้โหไม่มีอะไรที่จะวิเศษเท่ากับความสงบเลยจะเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างถึงใจจะไม่ลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ว่ามีจริงหรือไม่แล้วก็จะปฏิบัติมากขึ้นนั่งสมาธิบ่อยขึ้นจนสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่ต้องการแล้วหลังจากนั้นก็ถ้าอยากจะรักษาสมาธิไม่ให้เสื่อมก็ต้องใช้ปัญญาตัวที่จะมาทำลายความเสื่อมของสมาธิก็คือความอยากต่างๆ ความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายความอยากได้นั่นได้นี่อยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้สิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้และความอยากไม่เสียสิ่งต่างๆไปสิ่งที่ได้มาแล้วไม่อยากเสียเช่นร่างกายก็ไม่อยากเสียไม่อยากให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บแม่มันตายถ้ามีความอยากเหล่านี้อยู่มันก็ จะสร้างความทุกข์ให้กับใจทำลายความสงบต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงอย่าไปอยากอยากเล้าก็อยา ก, กยาไปทำตามแต่เราไม่ทำตามความอยากเดี๋ยวความอยากมันก็หมดกำลังไปแล้วพอมันไม่มีความอยากแล้วใจก็จะไม่ทุกข์กับอะไรนี่คือกิจกรรมของ การมาอยู่วัดในวันพระกันหรือมาฟังเทศฟังธรรมกันแล้วกลับเอาไปที่บ้านเอาไปปฏิบัติกันเพราะถ้าจะมาอยู่กันทุกคนที่วัดก็คงไม่พออยูอ่ก็ต้องหาที่อยู่ที่ปฏิบัติของเราที่บ้านเราก็เอาห้องพักของเรานี่แหละขังตัวเราเองอยู่ในห้องพักอยู่คนเดียวแล้วก็ปฏิบัติไป คอยควบคุมใจควบคุมความอยากกันทําใจให้สงบแล้วจะมีความสุขแล้วจะอยู่คนเดียวได้จะไม่มีอะไรได้ไม่ต้องมีอะไรก็มีความสุขได้แล้วไม่แล้วก็จะไม่มีความทุกข์เพราะเมื่อไม่มีอะไรมันก็จะไม่มีอะไรจะให้ทุกข์ด้วยถ้ามีแล้วมันก็ต้องทุกข์กับสิ่งที่มี ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็จะอนุโมทนาให้พรออมีหนังสือมาใหม่นะหนังสือของในหลวงออธรรมะของในหลวงสองเล่มใครต้องการก็มาหยิบได้มีผู้มีจิตศรัทธานำมาจากเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง เพราะธรรมะมีคุณค่ามากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ให้ธรรมะนี่ดีกว่าให้แหวนเพชรนะ เ, เพราะแหวนเพชรนี่ดับความทุกข์ไม่ได้แต่ธรรมะนี่ดับได้แหวนเพชรกับจะสร้างความทุกข์ให้ขึ้น เ, เดี๋ยวกลัวหายกลัวนิ้วขาดใส่แหวนไปเดี๋ยวโจมมันมาป้นมันก็เอามีดตัด อ่านิ้วไปเอาต้องการหนังสือต้องการอะไรขึ้นมาหยิบออะเอาไปต้องเอาไปอ่านนะถ้าเอาไปบูชาอย่าพึ่งเอาไปเข้ามาใกล้ๆพูดดังๆไมโครเวฟ ได้ได้อได้ได้เอามารับทั้งนั้นอ่ะอะไรอยากจะถวายอะไรรับกนะ่อนยกเข้ามาได้เลยเราไม่ใช่เองก็ให้คนอื่นใช้ทำบุญต่อทำไมสิงห์ามอยากจะเอาไมโครเวฟมาถายล่ะพอ ด, พอดีมีลูกค้าเอามาให้ปีใหม่อคะค่ะ อ๋อได้แล้วทุกที่วันนี้เขาก็ใช้กันมีที่ปฏิบัติธรรมเขาจะมีตู้เย็นกับมีไมโครเวฟให้ผู้ปฏิบัติมาอยู่แบบไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับใครซื้ออาหารแช่เย็นไว้พอถึงเวลาก็เอาใส่ไมโครเวฟกินกันผู้ปฏิบัติธรรมที่เก็บตัวนี่เขาจะมีที่พักแบบมีตู้เย็นให้เอาอาหารเก็บไว้ได้ แล้วก็มีไมโครเวฟไว้สําหรับอุ่นอาหารแล้วก็ไม่ให้ไปยุ่งกับใครให้อยู่ในที่พักเดินจงกรมนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมอยู่ในที่พักไม่ต้องไปยุ่งกับโรงครัวไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่นหรือถ้าไม่มีอาหารก็มีคนเข้ารับส่งทําส่งให้ทําถ้าต้องการให้เขาทําก็มีแม่ครัวจัดทาให้คนปฏิบัติสบายนี้สบายไม่ต้องวุ่นวายกันเรื่องอาหาร อย่างแต่ต้องมีเงินจ่ายค่าอาหารนะคืออยากจะเน้นเรื่องการภาวนาการภาวนานี่ต้องอยู่คนเดียวถ้าไปร่วมไปร่วมกลุ่มทํากิจกรรมกันเดี๋ยวมันก็คุยกันบ้างเฮฮากันบ้างเดี๋ยวก็ดีไม่ดีก็ขัดใจกันบ้างทําให้จิตใจขุ่นมัวเกิดสัญญาอารมณ์ต่างๆเวลากลับไปที่พักก็มีแต่เรื่อง ที่เกิดขึ้นอยู่ในใจก็เลยไม่ให้มาเจอกันดีกว่าให้ถืออินทรีย์สังวรคือสำรวมตาหูจมูกวิ้นกายไม่ให้มาสัมผัสรับรู้กับรูปเสียงกลิดนด่นรสแล้วใจมันจะได้สงบง่ายเนี่ยมันจะได้ผลเยอะถ้าอยู่คนเดียวปฏิบัติคนเดียวไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับใครทำได้สัก7วัน15วันเนี่ยต่อเนื่องกันมันจะเห็นผลนะ หนูมีครับถามไแล้วค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ปฏิบัติอะไไม่ค่อยมีสมาธิบ้างไหมคะเวลานจะนั่งสมาธิปกติจะจะเข้าถึงสมาธิค่อนข้างไม่ได้หรอคะเดี๋ยวนี้ไม่เข้าแล้วเข้าแต่ใช้เวลาเพราะเรื่องมากใช่ไหมงานมากคิดมากมดูเหมือนคิดน้อยลงนะคะ น้อยลงแต่กับเข้ายากกว่าอ่อนหน้านี้ีิดเดยอะกว่านี้มากเลยคะ่ะเ้าเได้แต่ตอนดูยากขึ้นนิดนึงนะคะเพราะไม่อยากเข้ามั้มันก็เลยยาก mm hmm. ก็เวลานั่งมันต้องมีสติอยู่กับจดจ่ออยู่กับลงหรืออยู่กับพุโทโธอย่างเดียว mm hmm. ถ้ายังไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็จะเข้ายากหรือนั่งแล้วอยากจะให้มันเข้าก็ไม่ได้ เวลานั่งอย่าไปให้มีความอยากเพราะความอยากนี่มันจะเป็นตัวความคิดปรุงแต่งแล้วมันก็จะทำให้เราเข้าไม่ได้เวลานั่งต้องไม่มีความอยากให้มีแต่ใจจดจ่ออยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นอยู่กับพุโทโธแล้วอยู่กับลมหายใจแล้วมันจะเข้าไม่เข้าอย่าไปสนใจอย่าไปอยาก จะคิดถึงอดีตว่ า, าทำไมเราเข้าง่ายแล้วเกินทําไมวันนี้เข้ายากถ้าคิดอย่างนี้ก็ไม่เข้าแล้วห้ามคิดโดยเด็ดขาดให้อยู่กับลมไปอยู่กับพุโทโธไปอย่างเดียวจะเข้าไม่เข้าก็ช่างหัวมันเดี๋ยวมันก็เข้าเองเหมือนนอนหลับเนี่ยบางคืนนอนไม่หลับอยากจะให้มันหลับยิ่งอยากให้มันหลับมันยิ่งไม่หลับใหญ่ก็ต้องอยาบไปอยาก นับหนึ่งสองสามไปดูลมหายใจไปเดี๋ยวมันเผลอปั๊บมันก็หลับเองมีใครอยากจะถามไหมมีอะไรอยากจะถามหรือเปล่าวันนี้ Facebook เข้คมาเท่าไหร่แนละ้ววันนี้จัดส8 8สิดเหลือสามสิบสองค่ะอ่า y o u t u ยี่สิบหรือสิบหกคน6กแล้วหนึ่งเสียงมันเบา <c oughs> มีคำถามหรือเปล่า ไม่มีน ะ, ะมีอะไรจะเล่าให้ฟังบ้างเปล่าไม่มีค่ะได้ปฏิบัติมามากน้อยเพียงไรปกติจะเป็นไม่ไม่ค่อยปฏิบัติค่ะถ้าในปีหนึ่งเนี่ยจะพยายามไปประมาณสี่ห้าวันส่วนใหญ่จะไปทางอัญชยาค่ะเพราะว่าชอบที่นี้มากกว่าเพราะว่าใกล้บ้าน ไปสี่ห้าวันนี้ไปอยู่วัดงนี้แหละแล้วอยู่เป็นกลุ่มงนี้แหละปฏิบัติเป็นกลุ่มอ่าอย่างที่พระอาจารย์บอกมันก็จะมีเรื่องราวต่างๆเลยมาลองอยู่คนเดียวที่นี่ดูล่ะเดี๋ยวจะคิดว่าปีนี้มาแน่นอนนะคะยังไม่เคยมาเลยยังค่ะเพราะว่าอย่างเสาร์ทิตย์ก็มาที่นีมานั่งำังู่แล้วก็เลยยังไม่ได้มาลองปฏิบัติอแต่มาฟังเทศน์ฟังธรรม แล้วก็นั่งฟังไปก็พอจะได้ความสงบบ้างแล้วทางเราเคยมาพักก็ยังวันนี้ครบวันที่สิบก็เลยมาลาอาจารย์เออมาอยู่ได้สิบวันแล้วเหรอกดีเป็นไงดีไหมดีมากก็สงบมากแล้วก็เป็นสถานที่ที่แบบสบายยั่แล้วก็หมาที่จะพักวันหยุดเอาไมโครเวฟิงใช้ได้อยู่อ่ะยัง ใ, ใช้ได้อยู่นะ อย่างนี้เก็บสำรองไว้ก็แล้วกันก็จะให้ทางบ้านถามชะลันวันนี้ไม่ได้มาเนี่ยไม่ไม่เข้ามานนี้ก็ไม่พอมาเสียงเบาบ้างคําถามทางบ้านลองถามเข้ามาดูคําถามจากอินบ็อกซ์นะคะเมื่อวานพอจะซัดคือประดีเขาถักแอดมินมาค่ะแต่ว่าเผื่อเรีนพลาจารย์ มออเมื่อวานนี้โรงเรียนที่มาพบพระอาจารย์ชื่อโรงเรียนอะไรคะเขาเรียกศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดชลบุรีเขตเท่าไหร่ไม่รู้ตั้งอยู่ที่บ้านบึงเขาจะดูแลเด็กพิการทางสมองและทางร่างกายคือเขาจะมาสอนเด็กให้พัฒนาเด็กพวกนี้เป็นพวกออทิสติกบ้างเป็นพวกโรคเออบ้าง เรื่อร่างกายไม่สมประกอบคล้ายที่บ้านรบุญชูะอะค่ะคล้ายกันแต่นี่เป็นของทางราชการของครูบุญชูนี้เป็นของส่วนตัวอของทางราชการเขาก็ามีศูนย์ตั้งอยู่ที่ที่บ้านบึงแล้วเขาก็มีสาขาอยู่ติดกับบ้านครูบุญชูเนี่ยที่บ้านครูบุญชูนี้ด้านหลังจะมีศูนย์เด็กพิการเหมือนกันแต่เขาจะรับเด็กเฉพาะเช้าเช้าไปเย็นกลับ เามาฝึกเด็กให้มีสติฝึกให้เด็กเริ่มรู้จักควบคุมตัวเองจิตใจของตัวเองเมื่อเวลามาใหม่ๆนี่โอ้หวิ่งไปวิ่งมาไม่มีหลังจากที่เขาสอนเขาก็จะรู้สึกนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นเมื่อก่อนมาหาพระนี่โอ้วิ่งไปวิ่งมาเมื่อวานาวานนี้หรือตอนะระยะหลังนี้เข้ามาจะนั่งเฉยๆกันแล้วนั่งฟังนั่งอะไรได้ คือเขาก็มีโครงการที่จะสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลแล้วก็ให้เรียนมปหนึ่งถึงปหกถึงมหกเลยแล้วก็ถ้าเขายังไปต่อได้ก็ให้เขาเรียนระดับเป็นยาเพื่อให้เขาจะได้สามารถพึ่งตัวเองได้ทางครอบครัวทางบ้านจะได้ไม่ต้องมามาเป็นภาระไปตลอดชีวิตให้เขาสามารถที่จะ มีความรู้แล้วก็ไปทำงานได้อาจจะทำงานแบบคนพิการเช่นรับโทรศัพท์หรือทำงานเกี่ยวกับการซ่อมเดี๋ยวนี้มีคนพิการก็ซ่อมพวกโทรศัพท์เครื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆได้ก็จะมีการฝึกคือเป้าหมายก็คือให้เขาเป็นที่พึ่งของเขาเองเขาจะได้ไม่ต้องมาเป็นภาระของคนอื่นแล้วดีไม่ดีเขากลับจะช่วยคนอื่นได้ด้วยบาง คนบางคนก็บอกว่ากับสามารถมีรายได้ไปเลี้ยงคอรอบครัวทางบ้านได้อันนี้ก็เลยเป็นโครงการของตอนนี้ศูนย์เขาไม่มีโรงเรียนคือโรงเรียนที่จะสอนตั้งแต่แตป .1 ถึงม .6 นี่เขาจะมีกระจายไปตามภาคต่างๆแต่ทางภาคตะวันออกนี้ยังไม่มีโรงเรียน มีแต่เพียงเป็นศูนย์ที่จะอบรมแค่ระดับเด็กเล็กเท่านั้นเองแต่จะให้เรียนหนังสือไปถึงจบม .6 นี่ยังไม่มีตอนนี้ทางศูนย์เขาก็เลย <c oughs> มาได้รับความช่วยเหลือจากศรัทธาญาติโยมที่มาทำบุญนี่จะช่วยสร้างโรงเรียนให้เขาสร้างต่้ง่ป .1 ขึ้นไปถึงม .6 เลย โรงเรียนกินนอนแล้วก็มีโรงเรียนระดับอนุบาลก่อนที่จะเรียนมหนึ่งอีกมีสงระดับอันนี้ก็กำลังอยู่ในขั้นดาเนินการเด็กที่มาเมื่อวานนี้เขาก็รับไปอยู่ที่ศูนย์บ้านบึงก่อนชั่วคราวพราะโรงเรียนยังสร้างไม่เสร็จเดี๋ยวพอโรงเรียนสร้างเสร็จเขาก็จะย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนใหม่ เมื่อก่อนเด็กพวกนี้เขาต้องไปอยู่ที่ศูนย์ที่อื่นเช่นมีที่ชัยนามีที่ขอนแกน่นมันไกลบ้านพ่อแม่ก็เป็นห่วงไม่อยากจะให้ไปเด็กก็เลยไม่มีโอกาสที่จะได้ไปเรียนรู้ก็อยู่กับบ้านก็อยู่แบบไม่มีการศึกษาไม่มีการพัฒนา ถ้าญาติโยมมีสนใจก็ลองเข้าไปค้นใน Google ดูก็ได้ศูนย์ศึกษาพิเศษจังหวัดชนบุรีเนี่ยเขตที่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้ก็เขาก็มีเว็บไซต์แล้วก็จะได้ไปดูกิจกรรมต่างๆที่เขามีทำไว้เราก็ไม่อยากจะโฆษณาหรอกเพราะเดี๋ยวจะหาว่าเราเป็นเซลแมนเพราะเราไม่ได้บวชมาเป็นเซลแมน นี่มันเป็นเรื่องของทางโลกบางทีอยู่ด้วยกันมันก็เกี่ยวข้องกันก็เห็นว่าเรามีคนรู้จักเยอะเขาก็เลยมาขอความช่วยเหลือเราก็ช่วยไปตามบุญตามกรรมไม่ได้โฆษณาไม่ได้ไปบอกบุญหรืออะไรกับใครก็สายจังหวะเนี่ยนานๆก็มีช่องมีคนแว บ, บมาถามที <c oughs> คุณถามมาก็เลยต้องตอบไป <c oughs> อยู่เฉยๆจะมาให้พูดนี้เดี๋ยวจะหาว่ามาขายของออก็เลยถ้าอยากจะทำอะไรก็ติดต่อกับที่ศูนย์เขาโดยตรงไม่ต้องผ่านเราเพราะเราไม่ไม่อยากจะเกี่ยวข้องเรื่องรับบริจาคเรื่องอะไรต่างๆเมื่อวานนี้เขาก็มาขอให้ช่วยหาน้ำเพิ่มเขาใช้น้ำบาดาลอยู่แต่มันไม่พอเพราะเขารับเพิ่มเด็กเพิ่มขึ้นอีก พิการพวกนี้ต้องใช้น้ำชำระพวกแพมเพื่อพวกอะไรกันเนยอะน้ำมันเลยไม่พอใช้เขาก็เลยอยากจะขุดบอ่อบาดาลนี่ก็สักสองบ่อเพื่อจะได้มีน้ำให้พอใช้เข้ามาเราก็เราก็เลยพูดฝากบอกผู้ที่เขามี มีมีกำลังที่จะช่วยได้ก็บอกเขาไปแล้วคำถามต่อไปคำถามจากคุณดอนขอคำแนะนำครับนั่งสมาธิแล้วจะหลับให้ได้ต้องแก้อย่างไรครับก็ไปนั่งในป่าช้าดูนในป่าเปลี่ยวยเหนยแม่ทำไมพาคถึงนั่งไปภาวนาในป่าช้ากันในป่า ที่มีมีภัยรอบด้านก็พราะมันจะไม่ง่วงเวลาไปอยู่ที่มันน่ากลัวในใจมันจะเตือนมันจะไม่หลับกันอีกวิธีหนึ่งก็ต้องอดอาหารอยากกินอาหารแล้วมันก็จะไม่ง่วงมันหิวแล้วมันไม่ง่วงถ้าไปหาที่ป่าช้าไม่ได้ลองอดข้าวดูอดื่มแต่น้ำปานะก็แล้วกันดื่มน้าผลไม้ ลออะะลงคำถามจากคุณรัชยากรเคยนั่งสมาธิแล้วออกจากสมาธิไม่ได้ลืมตาขึ้นมาไม่ได้เมื่อลืมตาเจอแต่ความมืดพยายามลืมตาอยู่หลายครั้งแต่ก็เจอแต่ความมืดตอนแรกคิดว่าตัวเองหลับแต่โยมยังได้ยินเสียงแอร์เสียงนกร้องจึงแน่ใจว่าไม่ได้หลับ จึงตั้งสติเคยได้ยินว่าเข้าสมาธิไปทางใดให้ออกมาทางนั้นโยมเลยกลับมาภาวนาพุทโธกำหนดรู้ที่ร่างกายที่ลมหายใจสักพักโยมก็ออกจากสมาธิและสามารถลืมตาได้ข้อที่หนึ่งเหตุใดทาให้ไม่สามารถออกจากสมาธิได้คะก็มันยังไม่อยากออกกัะสิมันกออกไม่ได้จิตเวลามันสงบมันก็ไม่อยากจะไปออกมาข้างนอก เมือนอนหลับมันยังไม่อยากจะตื่นก็ไปลองไปปลุกคนที่ยังไม่อยากจะตื่นดูเลยปลุกยังไงมันก็มันก็จานอนต่ออย่างนั้นจิตใจก็เหมือนกันเหมือนกับร่างกายเวลามันพักผ่อนมันสบายมันก็ไม่อยากจะออกมาเวลามันไม่อยากจะออกก็อย่าไปเอามันออกสิเอามันออกทําไมนั่งกว่าจะเข้าไปได้มันแทบเป็นแทบตายพอเข้าไปได้แล้วก็ไปดึงมันออกเนี่ยอย่างงี้ก็อย่าไปเข้าไม่เสียเวลาให้มันเสียเวลาเปล่า เข้าแล้วต้องให้มันอยู่นานๆอยู่จนกว่ามันอยากจะออกเองแล้วมันค่อยออกมาเองเวลาไม่อยากออกอย่าไปดึงมันออกมาเดี๋ยวต่อไปมันไม่ยอมเข้าให้นะมนชอบดึงกูออกเรื่อยงี้กูไม่เข้าดีกว่านะเวลานั่งสมาธิอย่าไปกาหนดเวลาถ้าถ้าไม่มีเวล า, าก็อย่าไปนั่งกลัวเดี๋ยวนั่งแล้วเดี๋ยวต้องไปทำงานไปไม่ทนันก็อย่าไปนั่ง ออเดี๋ยวเกิดมันสงบขึ้นมาแล้วไปดึงมันออกแล้วต่อไปมันจะไม่ยอมเข้าให้ง่ายๆนะเพราว่าเข้าไปแล้วก็ออกมามันก็เลยไม่อยากเข้าเข้าแล้วต้องให้มันอยู่นานๆอยู่จนกว่ามันอยากจะออกเองแล้วมันถอนออกมาเองเหมือนคนนอนหลับเนี่ยพอนอนพอแล้วมันเดี๋ยวมันตื่นขึ้นมาเองอะไม่ต้องไปไปเรียกไปปลุกมันเดี๋ยวมันหิวข้าวมันก็ออกมากินข้าวเอง เานั้นเวลานั่งสมาธิเวลามันยังสงบอยู่อย่าไปถอนอย่าไปดึงมันออกมาคำถามจาก i n b o x นะคะจากคุณจารุ ก, กรันวันพระไม่ได้ไปทำบุญแล้วทำให้ป่วยเป็นไปได้ไหมคะออไม่เกี่ยวกันหรอกเรื่องบุญกับเรื่องป่วยคนที่ไม่ทำบุญที่ไม่ป่วยไม่ต้องเยอะแยะไปคนที่ทำบุญแล้วป่วยก็ไม่เยอะแยะไป ถ้าสอ ง, องค์เจ้านี่ก็ป่วยกันเยอะแยะไปมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องบุญบุญคือผลของบุญคือความสุขใจบาปคือความทุกข์ใจมันไม่ได้เกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายหรือไม่เจ็บไข้ได้ป่วยคําถามจากคุณพักพรการซื้อหวยหรือลอตเตอรี่ไม่ผิดศีลแต่มีความโลภใช่ไหมคะถ้าเรามุ่งกําจัดกิเลส ก, ก็ไม่ควรซื้อใช่ไหมคะ โลภว่าล่ะซื้อหวยอยากจะได้เงินง่ายๆเร่งวิธีจะหาเงินควรจะหาโดวยวิธีนำแข้งนำขาของเราดีกว่าเพราะมันเป็นวิธีที่แน่นอนและไม่ขาดทุนวิธีซื้อหวยนี่มันมีโอกาสขาดทุนได้ซื้อแล้วไม่ถูกแทนถ้าอยากจะได้เงินก็ต้องทำมาหากินด้วยวิช วิธีที่สุดจริตจะดีที่สุดสัมมาชีพเป็นหมอเป็นพยาบาลทํางานตามบริษัทห้างร้านต่างๆนี่แล้วก็จะได้เงินมาใช้กับสิ่งที่จําเป็นได้คนเราหาเงินนี่หาได้สองแบบหาแบบโลกกับหาแบบความจําเป็นถ้าหาแบบความจําเป็นนี่ไม่ถือว่าโลกแม้แต่พระ ก, ก็ต้องหาตอนเช้าเป็นบิณฑบาตนี่ก็ไปหาเพราะต้องถ้าไม่หาก็ไม่มีข้าวกินนะ แต่ถ้าหามามากกว่าหามาเพื่อที่จะเอาไปขายหรือเอาไปทำอะไรนี้ก็เป็นความโลภแต่หามาเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องพอให้อยู่ไปวันๆอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นความโลภหาเงินเพื่ออยากจะได้มีมากๆมากกว่าที่เราจะต้องใช้กับสิ่งที่จาเป็นนี้เรียกว่าความโลภคำถามจากคุณทามี การให้อภัยบุคคลที่มาต่อว่าหรือทำร้ายร่างกายเราโดยการใช้เมตตาการุณาหรือใช้คิดว่าเป็นผลวิบากกรรมที่เราเคยทำมาแต่ปางก่อนหรือเห็นตัวสมุทรไทยว่าเราโกรธไม่พอใจเพราะเรายังอยากให้เขาทำดีกับเรายังมีความอยากไม่ให้เขาทำไม่ดีกับเราควรพิจารณาอย่างไรดีครับอย่างไรก็ได้ที่ทำให้เราสบายใจทาให้ใจเราหายทุกข์หายโกรธหายเกลีย หายรุมร้อนแล้วแต่มันมีหลายวิธีแต่และคนอาจจะเลือกใช้ตามวิธีที่ตนเองถนัดที่ได้ผลคำถามจากคุณไม่เคยได้ยินว่าถ้าได้ความสงบแล้วจะไม่มีความอยากทํางรูปเสียงกลิ่นรสสมาธินั้นต้องอักปานาสมาธิเลยใช่ไหมคะและถ้ายังไม่ได้ความสงบขั้นนั้นจะทำยังไงให้มีความอยากทั้งรูปเสียงกลิ่น ลดน้อยลงเจ้าคะก็ต้องเห็นว่ามันเป็นทุกข์เนี่ยใช้ปัญญาก็ได้เห็นว่าเป็นเหมือนยาเสพติดถ้าเราเสพแล้วเราก็ต้องเสพมันเรื่อยๆเวลาเราไม่ได้เสพเราก็จะทุกข์คำถามจากคุณเพ็ญศรีขอพระอาจารย์ช่วยแนะแนววิธีการเดินจงกรมและการนั่งสมาธิโดยการภาวนาพุทโธด้วยค่ะเวลาเดินจงกรมต้องเดินเท่ากับ การนั่งไหมคะเช่นเดินครึ่งชั่วโมงต้องนั่งครึ่งชั่วโมงเ อ, อ๋อนี่แล้วแต่ความพอใจชอบนั่งมากกว่าเดินก็นั่งมากกว่าเดินชอบเดินมากกว่านั่งก็เดินมากกว่านั่งก็ได้แต่ถ้าอยากจะให้ผลให้จิตสงบมันต้องนั่งมันถึงจะสงบถ้าเดินนี่มันจะไม่สงบเหมือนกับนั่งคําถามจากคุณสุนิสาการที่เราให้เขาใช้ชื่อซื้อรถแล้วเขาเอาไปจำนำ และส่งและไม่ส่งข้างวดลดจนเราต้องถูกฟ้องร้องให้ชดใช้ตามคำสั่งของศาลการที่เราต้องชดใช้นี้เป็นกรรมของเขาของเราที่มีต่อเขาหรือไม่คะมีคนบอกให้หนูไม่ต้องชดใช้แต่หนูบอกว่าชดใช้ไปในนามสมมุติที่อยู่ในโลกโลกุตตะแม้แม้เราจะไม่ได้ทาผิดเพียงแต่เขาใช้ชื่อเรา <c oughs> ก็ทาใจยอมรับผลที่ตามมาเขาทํากับเราได้เขา ในที่นี้เป็นพี่สาวค่ะเอ่อก็เป็นความโง่องของเราเลยอยู่ดีๆไปไปใช้ชื่อของเราให้ทำไมเมื่อใช้ชื่อมันก็ต้องรู้แล้วก็ต้องรับผิดชอบถ้าเขาไม่จ่ายเราก็ต้องจ่ายหรือไม่เช่นนั้นเราก็ให้เขายืดลดไปคำถามจากคุณพนมการเดินจงกรมต้องทำแบบเดียวกั บ, ก, บกับการนั่งสมาธิไหมครับ ถ้าใจก็ต้องทำแบบเดียวกันถ้าพุโทโธก็พุโทโธเหมือนกันนั่งก็พุโทโธดันก็พุโทโธคำถามจากคุณจั ก, กริดต้องการคำสอนก่อนสิ้นลมหายใจครับก็ให้เค่ว่าตายแล้วก็ตายแล้วก็จบตายแล้วก็ร่างกายก็กลายเป็นขี้เท่าขี้ฐานไปร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราใช่ทิ้งใช้สลัดมันอย่าไปยึดอย่าไปติดมันเราไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เราอยากถ้าเราสลัดร่างกายได้ปล่อยร่างกายได้เราจะไม่ทุกเวลาที่เราตายคือให้ยอมยอมแล้วก็จะหยุดหยุดหยุดความอยากไม่ตายแล้วมันก็จะเย็นยอมตายแล้วก็จะหยุดความอยากไม่ตายได้แล้วใจก็จะเย็นใจก็จะสงบตายไปก็ไปสู่สุขติไปเป็นพระโสดาบันได้ ถามจ้าคุณปลาณีคำถามของเมื่อวานค่ะแต่เขาสัญญาณขาดค่ะที่บอกว่าน้อยใจแม่จะต้องมีผลต่อการปฏิบัติไหมเจา้าคะน้อยใจแม่มีผลต่อการปฏิบัติไหมคะถ้าเราน้อยใจใจเราก็ไม่สบายเวลาปฏิบัติมันก็ยากเพราะมันมีอารมณ์ข้างค้างอยู่เวลาจะทําใจให้สงบมันก็ยากนั้นอย่าไปน้อยใจพยายามคิดว่าอ แม่เขาก็เป็นเขาก็อย่างงั้นแหละเราอย่าไปหวังอะไรจากเขาเลยถ้าเราไม่หวังเราก็จะไม่น้อยใจคําถามจากคุณฮันนี่ทําไมถูกเบียดเบียนเอาเปรียบทางแก้คือคิดทำทำทานเหรอเจ้าคะคือเราอยู่ในโลกนี้มันก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีคนที่เบียดเบียนกับคนที่ทําทาน บางทีมันก็เป็นความซวยของเราที่ต้องไปเจอคนที่ชอบเบียดเบียนบางทีก็โชคของเราไปเจอคนที่ชอบทำบุญช่วยเหลือกันั้นก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องปกติของโลกมีทั้งคนดีมีทั้งคนไม่ดีปะปนกันไปแต่เราสามารถทำใจของเราให้เฉยๆกับเหตุการณ์เหล่านี้ได้ด้วยให้คิดว่าเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศกล้กัน ฝนตกแดดออกก็เหมือนคนดีคนชั่วเนี่ยเราไปกำหนดไม่ได้เราไปห้ามมันไม่ได้แต่เราห้ามใจของเราได้ว่ า, อ, าอยู่ในโลกนี้ก็ต้องเจออย่างนี้เจอคนดีบ้างเจอคนไม่ดีบ้างแต่เราอย่าไปทำตัวของเราก็แล้วกันอย่าไปทาตัวเราไม่ดีก็แล้วกันเอาตัวอย่างของคนไม่ดีมาสอนเราว่ า, าทำแบบนี้ไม่ดีเพราะทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนแลวทาให้คนอื่นเขาโกรธเกลียดเราได้ ส่วนถ้าเราเอาตัวอย่างของคนดีทําแล้วทําให้คนอื่นรักเราชอบเราทำแล้วมีความสุขคําถามจากคุณพรมนิมิตกราบสอบถามว่าสิลอุโบสถอยู่ที่บ้านได้ไหมคะเพราะถึงวันพระขังตัวเองอยู่ในห้องปฏิบัติโดยถือสินอุโบสถคะ่ะก็สิลอุโบสถก็ศินแปนั่นเองเป็นดาว่าเขาเรียกสิลอุโบสถเพราะไปอยู่ในอุโบสถ อย่างน้เราก็เปลี่ยนจากซีลโบสอดเป็นศีลบ้านก็แล้วกันแต่ก็ถือแปดข้อเหมือนกันกระจายไหมเออศนลโบสอดก็สีลแปดศีลบ้านก็ศีลแปดอันเดียวกันอะคำถามจากคุณหนูไก่มีเพื่อนชวนไปปฏิบัติตามหลักสูตรปฏิบัติธรรมต่างๆแต่ตัวเองไม่พร้อมไปนอกสถานที่ได้แต่ภาวนาที่บ้านเช้าเย็นอย่างนี้จะได้ไหมคะจ๊ะ จำเป็นไหมคะที่ต้องไปตามหลักสูตรต่างๆก็แล้วแต่เราถ้าเราทำได้ทำเองได้เราก็ไม่ต้องไปคนที่ทําเองไม่ได้ก็ต้องไปอาศัยหลักสูตรเป็นตัวกําหนดกฎเกณฑ์เช่นที่หลักสูตรก็จะมีตั้งแต่เตินขึ้นมาตีสตีระฆังนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระเดินจงกรมรับประทานอาหารพักผรฟังเทศฟังธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิ ทําความสะอาดที่พักหดื่มน้ำปานะอาบน้ำอาบท่าแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมใบชนถึงสี่ทุ่มก็นอ น, นตีสี่ก็เตือนขึ้นมาใหม่อันถ้าไปหลักสูตรเขาจะมีตารางบังคับให้เราทําแล้วก็จะมีคนคอยนำทำําถ้าเราทําไม่เป็นเวลาที่เราเริ่มใหม่ๆบางทีเราไม่รู้วิธีทาท ำ, ทำยังไงเราก็ไปเข้าหลักสูตร แต่สมัยนี้ถ้าเราอ่านหนังสือแล้วเราเข้าใจว่าต้องทำอะไรอย่างไรเราทำของเราเองได้เราก็ไม่ต้องไปเข้าเข้าสูตรก็ไปเข้าหลักสูตรกันแล้วแต่แต่ละคนก็เหมือนสมัยนี้ไม่ว่าจะทำอะไรโยโคกโยโคะเนี่ยนี่ก็สอนการตามฟินเนี่ยคนอยากจะเรียนโยโคะก็ต้องไปฟินเนี่ยเขาก็จะสอนวิธีนั่งโยโคะทาแบบนี้แบบนี้พอเราไปเรียนรู้ต่อไปเราก็ทาเองได้ ตอนต้นก็ต้องไปเรียนก่อนการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันก็ต้องมีการเรียนก่อนต้องรู้ว่าการปฏิบัติจริงๆนี้เขาปฏิบัติอย่างเดียวเขาไม่ยุ่งกับภารกิจอย่างอื่นอย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังนี่ยตีสเตือนขึ้นมาก็นั่งสมาธิสวดมนต์นนถึงสว่างก็เดินจงกรมนั่งเดินจงกรมแล้วก็ไปรับประทานอาหารถ้าต้องทําเองก็ทํากัน แล้วก็กลับมาเดินจงกรมนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมอะไรกันไปจนถึงบ่ายนะก็ดื่มน้ําปาณะกันแล้วก็ปัดกวาดสถานที่ทําความสาะอาดอะไรต่างๆซักเสื้อพ่องเสื้อผ้าอาบน้องอาบน้ํานะเสร็จแล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมกันไปถึงสี่ทุ่มนะนะถ้าการปฏิบัติเขาปฏิบัติอย่างนี้ก็ไม่ทําภารกิจอย่างอื่น Aj aj i th i th ai, คำถามจากคุณจ to ิรายุเพศที่สามคือกระเทยทอมดี้หรือเกย์สามารถบรรลุธรรมได้ไหมครับเคยได้อ่านหนังสือเล่มนึงว่าไม่สามารถบรรลุธรรมได้ครับได้ถ้าถ้าถ้าปฏิบัติทําได้ก็บรรลุได้มันไม่ได้อยู่ที่เพศมันอยู่ที่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้ามีการปฏิบัติอย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยตั้งแต่ตีสี่ถึงสี่ทุ่มนะ รับรองได้ว่าบรรลุทําได้ทุกคนให้ดูตรงที่เพตเหตุคือการปฏิบัติไม่ใช่ที่เพศหญิงชายไม่เกี่ยวเพราะาจิตนี้มันไม่มีตัวหญิงตัวชายหรอกจิตมันเหมือนกันกิเลสมันไม่มีกิเลสหญิงกิเลสชายกิเลสกิเลสมอนกันธรรมะที่ฆ่ากิเลกก็ไม่มีธรรมะที่เฉพาะผู้หญิงหรือเฉพาะผู้ชายมันก็เป็นธรรมะที่แก้ที่ฆ่ากิเลสเหมือนกันหมดคือศรรีลสมาธิปัญญา ขอให้เราสร้างศีลสมาธิขึ้นมาปัญญาขึ้นมาจากการปฏิบัติตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับรับรองได้ว่าไม่ว่าจะเพศไหนเนศาสนาพู้จึงเป็นศาสนาที่ทำให้สมัยก่อนในอินเดียนี่เขาตื่นเต้นกันเพราะว่าสมัยก่อนศาสนาพราหมณ์นี่เขาแบ่งคนไว้สี่ชั้นด้วยกันคนที่จะปฏิบัติศาสนาได้ต้องเป็นชั้นพรามพวกพราม พวกอื่นนี้ปฏิบัติไม่ได้แศา ส, สนาพุทธบอกเป็นอะไรก็ปฏิบัติได้หมดเป็นหญิงเป็นชายเป็นอะไรถ้ามีกำลังที่จะปฏิบัติก็ปฏิบัติได้หมดไม่มีข้อห้ามคำถามจากคุณสิทธิโชคการฝึกตัดกิเลสจะต้องเข้าฌานถึงจะตัดได้ถึงจะตัดขาดได้ใช่ไหมครับเพราะผมฝึกโดยการตามรู้ เดี๋ยวจาได้บ้างเดี๋ยวเผอบ้างประกอบกับภาวะทางอารมณ์ฟุ้งซ่านด้วยกระผมทำไม่ทำได้ปีกว่าแล้วรู้สึกว่าตัวเองยังไปไม่ถึงไหนเลยครับมันต้องตัดด้วยฌานกับปัญญาควบคู่กันจิตก็ต้องเข้าฌานได้แล้วต้องมีปัญญาเห็นว่ากิเลสเป็นตัวทําให้เราทุกข์การทําตามกิเลสแล้วเป็นทุกข์ถึงจะตัดได้อย่างเด็ดขาด คำถามจกคุณป้อมลูกมาขอความช่วยเหลือเราให้ช่วยเขาในเรื่องอาชีพซึ่งเรามองแล้วว่ามีความจำเป็นจริงๆถ้าเราช่วยจะเป็นการทางให้เขาไม่ช่วยเหลือตัวเองไหมคะและเท่ากับลูกเบียดเบียนเราไหมคะเป็นบาป ก, กับลูกไหม อ, อ๋อไม่หรอกถ้าเขาเดือดร้อนและเราช่วยเขาได้และช่วยในลักษณะที่ทำให้เขาช่วยตัวเขาเองได้นี่ไม่ถือว่า ไม่ถือว่าเป็นการาทำให้เขาเสียคนแต่ถ้าช่วยแบบที่ช่วยแล้วเขายัางช่วยตัวเองไม่ได้เงี้ยไม่ควรช่วยเช่นเขาพูดว่าจะช่วยใครก็อย่าถ้าเขามาขอปลาก็อย่าให้ปลาเขาแต่สอนให้เขารู้จักวิธีหาปลาเองเพราะถ้าเขามาขอปลาแล้วเราให้ปลาเขาไปเดี๋ยวเขากินปลาหมดเขาก็กลับมาขอใหม่ คำถามจากจัดอินบ็อนะคะจากคุณศาธาการบริจาคร่างกายเมื่อเราตายแล้วเพื่อเป็นทานแก่คณะแพทย์จะได้อนิสงส์อย่างไรครับอ๋อคนคนให้นี้ไม่ได้อะไรนะเพราะถ้าให้ตอนตายนี้มันไม่ได้บุญนะถ้าจะได้บุญต้องให้ตอนยังไม่ตายเช่นบริจาคตาไปข้างควักไปเลยอย่างนี้จะได้บุญเพราะใจได้ปล่อยวาง ความยึดติดในวายวะใจจะไม่ทุกข์กับการเสียอวัยวะใจจะรู้สึกมีความสุขแต่ถ้าเวลาตายไปแล้วเข้ า, าไปนี้ใจไม่รู้เรื่องแนละใจไม่รู้ว่าร่างกายของตนนี้ใครก็รไปทําอะไรนะแต่คนที่ได้รับก็ยังได้รับประโยชน์เหมือนเดิมการบริจากร่างกายของเราหลังจากที่เราตายไปแล้วเนี่ยถ้าเขาเอาวายวะต่างๆที่เราที่มีในร่างกายของเราไปใช้ต่อได้เขาก็ได้รับประโยชน์ จะให้ตอนที่เป็นหรือให้ตอนที่ตายเขาก็ได้รับประโยชน์เหมือนกันแต่คนให้นี้จะไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้บุญจะได้บุญก็ตอนที่ให้ตอนที่ยังไม่ตายเพราะจะต้องเกิดการเสียสละใจต้องเสียสละใจต้องยินยอมการยินยอมเสียสละจะทำให้ใจมีความสุขจะทำให้ใจปล่อยวางได้แต่ถ้าตายไปแล้วใจไม่ได้เกี่ยวข้องนะกับร่างกายนั้น ใครจะเอาไปทำอะไรใจก็เพราะเวลาตายไม่ยอมตายอยู่ดีใช่ไหมไม่ยอมสละร่างกายไม่ยอมให้มันตายอย่างนั้นมันก็ไม่ได้สละอะไรเลยคำถามจากคุณชัชวาลนพี่ชายนั่งสวดมนต์ภาวนา มือหมุนตัวหมุนตลอดเขาว่าเขาถึงขั้นอัปปนาสมาธิเท็จจริงเป็นอย่างไรครับช่วยชี้แนะผิดทางหรือไม่ครับอ๋อมันต้องนิ่งถึงจะถึงจะเป็นอัปปนาสมาธิได้นิ่งทั้งกายนิ่งทั้งใจถ้าถ้ากายไม่นิ่งใจมันจะไปนิ่งได้งไงใจมันเป็นตัวทําให้กายมันเป็นนั้นถ้ากายยังไม่นิ่งก็แสดงว่าใจยังไม่นิ่งี่ กายต้องนิ่งขนาดกายนิ่งยังสแสดงยังไม่ได้หมายคาว่าใจจะนิ่งเลยอย่างพวกเราเนี่ยนั่งเนี่ยนั่งเฉยๆแต่ใจไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ใช่ไหมอาจจะบอกถึงเวลากลับบ้านแล้วยังอยากจะไปนู่นอยากมานน่ยังทํามันนิ่งจริงๆนี่ร่างกายต้องนิ่งก่อนแล้วใจก็จะนิ่งตามหมายแค่นึงคำถามจากคุณทาย อยากทราบว่าเมื่อนั่งสมาธิแล้วมีอาการคันตามใบหน้าอาการแบบนี้คือพระพระปิติในสมาธิสมาธิกรำลังรวมใช่ไหมครับไม่ใช่หรอกมันก็จะเป็นอะไรก็ ม, มันก็แล้วแต่มันมันจะเป็นก็ให้อย่าไปสนใจเป็นอาการหนึ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปถ้าเราไปสนใจมันมันก็จะทําให้เราเสียสมาธิจะทําให้เรา ต้องไปเขาต้องไปกันต้องไปเกามันหรือต้องไปทําอะไรกับมันคําถามจากคุณพินพินถ้าติดดิสไซกลัวผีมากมีทางแก้ไหมคะมีกลัวผีก็ต้องไปหาผีพอเจอผีก็ให้พุโทโธพุทโธไปใช้พุโทพโธฆ่าผีคําถามจากคุณกุ้ง ถ้าเราเคยเบียดเบียนคนอื่นโดยไม่ได้ตั้งใจจะมีวิธีแก้อย่างไรคะก็ไม่มีก็ทําไปแล้ววิธีก็อย่าไปทําอีกก็แล้วกันให้มีสติให้ระมัดระวังเวลาเราทําอะไรให้คิดก่อนว่าทําแล้วทําให้คนอื่นก็เดือดร้อนหรือเปล่าถ้าเขาเดือดร้อนก็อย่าไปทําถึงแม้เราไม่ตั้งใจเช่นเราฟังเพลงเราชอบเพลงนี้เลยเปิดมันลั่นบ้านเลยชาวบ้านเขาจะหลับจะนอนก็หลับไม่ได้คําถามจาก คุณหม่นักการเมืองที่ทําบาป ก, กงกินแต่ทําบุญเยอะบาป ก, ก็จะตามไม่ทันเขาเลยเขาก็จะสุขตลอดไปถูกต้องไหมคะถ้าก็ทําบุญมากกับทำบาปเขาก็ได้กลัวมันจะทําบุญแค่นิดเดียวกองมาล้านหนึ่งทําบุญแค่พันยังไงมันมันจะไปเรียกว่าทําบุญเยอะอยังไงอถ้ากองมาล้านแล้วทําบุญสองล้านอย่างนี้ออย่างนี้มันก็คําถามจากคุณจร เป็นบันเดาะแล้วไปบวชถือว่าเป็นพระไหม่ครับบรนเดาะแล้วกระกเทยออไม่รู้แต่เ้าห้ามรึเปล่าห้ามใช่ไหมก็มไม่อยากให้พวกกระเทยไปอยู่ใกล้ๆพระเดี๋ยวจะไปทําอะไรไม่ดีกับพระเนี่ยเพราะพระเป็นผู้ชายพวกบันเดาะมันก็ชอบผู้ชายใช่ไห ม, มเดี๋ยวมันก็ไปทําประลาชิกกันได้ไปทําผิดศีลกันได้ถ้าอยู่ใกล้กันเขาถึงไม่ให้บวชกัน พวนี้ต้องไปบวชอยู่กับแม่ชีเพราะไม่ไปยุ่งกับแม่ชีแต่ภาพออกมาก็ไม่สวยเพราะภาพมันเป็นผู้ชายไปอยู่กับผู้หญิงอีกเนีก็ต้องทาตัวให้เป็นผู้หญิงไปเลยคำถามจากคุณเอี่ยมวัด เวรานั่งสมาธิบางครั้งนั่งสมาธิแล้วอยากกืนน้ำลายผมก็ไม่กืนน้ำลายน้ำลายมันเลยไหลออกมาแบบนี้ถ้ามันอยากจะไหลก็ปล่อยให้ไหลเลยใช่ไหมครับปล่อยอย่าไปสนใจให้อยู่กับพุทโธอยู่กับลมไปให้ภาวนาไปแล้วเดี๋ยวมันก็หยุดเองถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันคำ ถ, ถามจากคุณพานุพงศ์ถ้าคนใกล้ตัวเราชอบผู้ใส่ร้ายคนอื่น ชอบเอาชนะคนอื่นไม่ยอมลงความกันเราเป็นคนกลางควรทำอย่างไรครับก็เรื่องของเขาเนี่ยไม่ใช่เรื่องของเรานอกจากเข้ามาขอคำปรึกษาแล้วก็บอกเขาได้ถ้าเราเขาไม่ขอคำปรึกษาเราไปบอกเขาเดี๋ยวเขาก็จะหาว่ามาเสือกอีกเดี๋ยวโดนเ็าด่ายคำถามจากคุณเฉลิมพลอัปปนาสมาธิกับฌานสมาบัตเหมือนกันไหมครับ ฌานสมาบัตินี่มันรู้สึกจะเป็นอีกอีกอีก อ, กอย่างหนึ่งนะอัปนานี่มันแค่ฌารูปฌานสี่ฌานสมาบัตินี่มันเหนือเหนืออรูปฌปานสี่ขึ้นไปคําถามจากคุณพมนิมิตการบรรลุถึงสกิทธาคามีสามารถปฏิบัติเองที่บ้านมีไหมคะที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นเนี่ย เป็นบ้านาไรที่บ้านก็ทำได้ที่ไหนก็ทำได้ถ้าเรามีกําลังค่ากิเลสมันก็เป็นเป็นได้หมดทุกแห่งแล้วคำถามจากคุณนัธนีลูกมาขอสตางค์ไปลงทุนทำธุรกิจเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลผสมใจหนึ่งก็ต้องการสนับสนุนงานลูกแต่ก็ไม่สบายใจเพราะเป็นหนึ่งในอาชีพที่ไม่สนับสนุนศีก็ขอคาแนะนาด้วยค่ะ มันก็เป็นอาชีพที่ไม่ไม่ดีตรงที่ว่ามันจะทําให้คนที่ซื้อของของเรานี้ไปมึนเมาแล้วอาจจะทําให้เกิดาการเบียดเบียนการการทํำลายร่างกายกันทํำลายทรัพย์สินกันถ้าหลีกเลี่ยงอาชีพแบบนี้ได้ก็ดีคำถามจากคุณถือศีนแปดที่บ้านกับอุโบสถศีลต่างกันไหมครับไม่ต่างมันก็สีลแปดเหมือนกันอุโบสถสินก็ คำว่าอุโบสถก็บาว่ารักษาศีลแปดที่พระที่วัดที่วัดก็จะมีพระอุโบสถให้ไปพวกที่ถือศีลแปดไปนอนไปฟังเทศไปปฏิบัติธรรมที่นั่นกันก็เลย เ, เรียกศีลแปดว่าเป็นศีลอุโบสถไปแต่มันก็แค่ศีลแปดเหมือนกันคํถาถามจากคุณพัชาพราภรถ้าเขาเบียดเบียนเราแต่เราไม่ได้ไปเบียดเบียนเขาเป็นเพราะกรรมเก่าไหมเจ้าพระ อันนี้มันก็แล้วแต่บางทีอาจจะเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันทางด่วนก็ได้ไปเจอคนที่ชอบเบียดเบียนกลนก็โดนก็เบียดเบียนก็ได้คําถามจากคุณนัฐการเวลาสวดมนต์แล้วอธิษฐานจะรู้สึกขนลุกตามขาแขนเพราะอะไรคะก็ถามมันสิงทาไมขนลุกน่ะมาถามเราทำไมคําถามจากคุณไม่ สวดมนต์ที่เราจำได้กับสวดมนต์ยาวๆจากหนังสือแบบไหนดีกว่ากันคะได้สมาธิมากกว่ากันสวดที่จำได้จะดีกว่าเพราะจะได้ไม่ต้องใช้สายตาจะได้หลับตาสวดได้จะได้ปิดทวา์อีกช่องหนึ่งถ้าเราเปิดทวารอ่านหนังสือนี่มันใจมันยังต้องส่งออกไปทางตาอยู่ถ้าเราปิดแล้วมันจะสงบง่ายกว่าคาถามจากคุณชัดชวาล พี่ชายเขาถามว่าในการทําสมาธิตัวหมุนเข้าถึงอุปจาระตัวโยกตัวสันเกิดปิติถูกทางไหมครับไม่ถูกหรอกนั่งไม่ต้องร่างกายต้องนิ่งถ้าไปโยกไปสันไปหมุนเนี่แสดงว่าไม่ใช่นั่งสมาธิแบบพวกพุทธศาสนาละคำถามจากคุณบุญทิง้งเราจะรู้ได้อย่างไรว่าได้ฌานครับก็เหมือนเวลากินข้าวแล้วอิ่มเราก็จะรู้เองว่ากินแล้วอิ่มหรือยัง การนังสมาธิจิตสงบเราก็จะรู้ว่ามันสงบเวลาไม่สงบมันเป็นอย่างหนึ่งเวลาสงบมันจะเป็นอีกอย่างคําถามจากคุณพงศ์นิมิตศีลห้าจะบรรลุสกิทาคามีได้ไหมครับไม่ได้หรอกเพราะศีนห้ายังเสกกามอยู่ถ้าอยากจะบรรลุสกิทาคามีต้องลดการเสกกามลง คำถามจากคุณสิริการนามีอาการหลับในสมาธิบ่อยครั้งมีอุบายแก้ไขอย่างไรคะก็อย่างที่บอกถ้านั่งสมาธิก็ต้องนั่งในที่มันน่ากลัวถ้านั่งไปหาที่น่ากลัวนั่งไม่ได้ก็อดอาหารถ้าอดอาหารไม่ได้ก็ต้องฝึกสติให้มากมาก่อนถ้าสติมีกําลังมากมันก็จะทําให้ไม่ง่วงนอนได้มันตื่นแล้วก็มีสามอย่างเนี้สติทําให้มากขึ้น ถ้ายังไม่ทําสติให้มากขึ้นก็ต้องไปหาที่น่ากลัวอยู่หรือต้องอดอาหารแล้วมันก็จะทําทให้เกิดสติขึ้นมาเองบ่ได้ยังนีมาอีกหนึ่งค่ะอ่าเพื่ อ, ถอนถามจากคุณไม่เพื่อนมักจะถามว่าทําไมคนบางคนทําบาปมากมายกงกินแต่มีความสุขล่ํารวยเพราะว่าผลของบาปนี่ไม่ได้อยู่ที่รวยหรือจนไงคนที่ ทำบาปแล้วรวยก็มันก็เพราะเขายิ่งคนที่ทําบาปมันรวยก็เพราะมันไปโกงเขามันไปป้นเขามันก็รวยเลยแต่คนดีไม่ไปป้นไม่ไปไปโกงเขามันก็ไม่รวยผลของของการทําความดีกับความชั่วนี่ไม่ได้อยู่ที่ว่ารวยหรือไม่รวยอยู่ที่ว่าจิตใจสุขหรือไม่สุขทุกข์หรือไม่ทุกข์คนที่ทําบาปนี่ต่อให้รวยขนาดไหนจิตใจก็ทุกข์ คนที่ทําความดีต่อให้ยากจนขนาดไหนจิตใจก็ไม่ทุกข์ฉะนั้นขอให้เราดูผลว่ามันคนละเรื่องกันการทําบุญทําบาปนี้ผลอยู่ที่ใจคือความสุขหรือความทุกข์ถ้าจะดูใจว่าจเจริญหรือเสื่อมก็ทําบาปใจก็เสื่อมจากมนุษย์ไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตแต่ถ้าทําบุญใจก็จะเจสนินจากมนุษย์ก็ไปเป็นเทวดาแต่ยากจน เป็นมนุษย์ยากจนแต่ใจเป็นเทวดาเขนะ้าใจไหมยันให้ดูตรงนี้ดูที่ใจเป็นหลักหมดแล้วใช่ไหมวันนี้เยอะนะคาถามมีอยากจะถามไหมอยากจะเริ่มปฏิบัติะคะ่ะอาจารย์ไม่แน่ใจว่าเพื่อนบางคนบอกว่าอยู่บ้านก็ทำได้ไก็ลองดูสิลองถ้าทำที่บ้านได้ก็ทำที่บ้านก่อนเพราะมันสะดวกกว่าแต่สักวันหนึ่งมันก็จะรู้ว่าที่บ้านมันมีขีดจำกัด เหมืนกับตอนที่เราปลูกต้นไม้ใหม่ๆเราก็ปลูกในกระถางได้อย่า ต, ต่อไปต้นไม้มันโตมันก็จะทําให้กระถางแตกได้เมื่อกระถางแตกก็ต้องย้ายมันลงดินต่อไปอย่าง้าเรายังปฏิบัติที่บ้านได้ก็ปฏิบัติที่บ้านไปก่อนสะดวกกว่าเร็วกว่าเพราะจะมานี่มันต้องจองที่ต้องอะไรต้องเดินทางไปเดินทางมาเสียเวลาเยอะแยะออย่างวันนี้อยู่ที่บ้านได้ก็ปฏิบัติได้เลย อย่างเดียวที่บ้านมันมีสถานที่ที่มันเอื้อหรือเปล่าจริงๆก็ไม่ไกลเท่าไหร่แค่ตรงวันฉาจ ะ, อ, ะาอยู่คนเดียวหรือเปล่าที่บ้านหรืออยู่กันหลายคนอะไรอย่างเงี้ยมีมีมครอบครัวถ้าหลายคนมันก็จะมีเรื่องโน้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้มาเกี่ยวข้องถ้าอยู่คนเดียวมันก็จะไม่มีใครมาเกี่ยวข้องมารบกวนอันนี้ก็อยู่ที่ปริมาณของการปฏิบัติถ้าเรานั่งแค่ครึ่งชั่วโมงที่ไหนก็ได้ ใช่มแต่ถ้าเราอยากปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมันก็ต้องมาที่ที่อยู่คนเดียวจะดีกว่าแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นได้ก็ต้องหัดเอาที่บ้านก่อนเอาทีละครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก่อนอไพอเรานั่งได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเราก็อยากจะไปเองเอาล่ะนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิณิพิจน า, าไปปฏิบัต เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเท่าน